รุ่นพี่ที่รังแก่นี่ก็ประมาณสักสิบขวบนะพอๆก็ต้องเนี่ยเด็กหญิงก็พยายามขอร้องนะแต่ว่าเด็กรุ่นพี่นี่ก็ยังก่อกนรังควานนะก็เศร้าเย่อแย่หนักมากนะเด็กผู้หญิงก็ทําท่าจะร้องไห้ให้รุ่นพี่ก็ยังไม่เลิกต้องเนี่ยซึ่งยืนอยู่ข้างๆเนี่ย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 ความจริงอันนี้ก็คือเรื่องอนัตตาว่าไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่มีตัวเราเนาะไอ้ตัวเรานี่มันเป็นคําสมมุตินะตัวฉันนี่เป็นคําสมมุติเช่นเดียวคําว่าของฉันนี่ก็เป็นการสมมุติไอ้ของฉันเนี่ยก็เห็นได้ง่ายนะว่ามันเป็นเรื่องสมมุติเพราะว่าถ้ามีคนอ่า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 อาชี้ อ, อีว่าตรงไหนเป็นหัวนั่นจมูกต่างหากแมจริงๆแม้ก็ะทั่งคาว่าหัวก็ไม่มีนะมันก็เป็นคําเรียกรวมๆของอวัยวะส่วนเล็กๆน้อยๆนะตั้งแต่ผมหน้าผากตาจมูกปากปากเนี่ยนะตรงไหนเป็นปากลองชี้ไปดูสิอ้าวไม่ใช่นะอันนั้นผิวหนังลองชี้ไปเถอะนะตรงไหนเป็นปากเนี่ยเอาคข้าจริงๆก็หาไม่เจอเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นคําสมมุติ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 ถ้าไม่เชื่อว่าถ้าถ้าเห็นว่าความดีทาไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีผู้รับผลนะก็ไม่ควรจะกินอาหารไม่ควรจะกินข้าวด้วยเพราะว่ากินไปทาไมมันไม่มีผู้รับผลแต่เราก็รู้ใช่ไหมว่าการกินข้าวเนี่ยมันย่อมเกิดผลการกินอาหารย่อมเกิดผลกับร่างกายนี้ถ้ากินอาหารที่ดีนะสุขภาพของกายก็ดีด้วยถ้าไม่กินอาหารหรือกินอาหารที่เลวนะ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 แต่เราก็รู้ด้วยสามัญสำนึกว่าข้าวที่กินเนี่ยมันมีผลดีต่อร่างกายเป็นแต่ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่กูไม่ใช่ตัวฉันแค่นั้นเองอันที่เขาถือครูอาจารย์สอนครูบาอาจารย์สอนไม่มีตัวกูผู้รับผลก็คืออันนี้แหละมันมีผลแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ว่ากับกายกับใจนะอันนั้นไม่ใช่เรื่อว่าตัวกูนะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีผู้รับผลอันั้นเขาใจเรื่อง อนัตตาอย่างถูกต้องเนี่ยนะก็ยังทําความดีทานก็ยังให้เสียงก็ยังรักษาแล้วถึงแม้วจะไม่ทําเพื่อตอนเองนะแต่ก็ยังทําเพื่อประโยชน์ผู้อื่นให้ทานเนี่ยก็อาจก็อาจจะไม่ได้ทําเพื่อหวังผลดีกับตัวเองนะแต่ว่าเพื่อประโยชน์กับผู้อื่นเช่นเพื่อบารุงศาสนานะเพื่อช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก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 คือทุกทั้งกายทุกทั้งใจถึงแม้ว่าคนเราเนี่ยจะยังเพิกถอนในความยึดมั่นสำคัญหมายในในในตัวกูไม่ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยก็พยายามใช้ตัวกูนี้ให้เป็นประโยชน์นะอย่าเพิ่งไปปฏิเสธอย่าเพิ่งไปละทิ้งอย่าเพิ่งไปปฏิเสว่ามันไม่มีการปฏิเสว่ามไม่มีบางทีมันอาจจะาพาไปนาไปสู่การกระทาที่ผิดพลาดเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างตัวอย่างาผัวเมียคู่นั้นก็ได้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 เลยไม่ทําความชั่วนะหรือไม่ทําสิ่งที่มันน่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะหรือว่าเวลาทําความเพียนนะมันท้อแท้ท้อถอยแต่เห็นคนแก่เขาทาความเพียนมากเหลือเกินนะมันก็ทําให้เกิดอ่ามันมีความคิดเกิดขึ้นมาเอ้ยเขาทําได้เราก็ต้องทําได้เสียไอความคิดแบบนี้ก็ทําให้เกิดความ เพียรพยายามไม่ท้อถอยเกิดการฮึดสู้ขึ้นม า, าคิดแบบนี้ก็ดีนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความคิดที่ยังผูกพันกับตัวตนอยู่นะมันเป็นมานาชนิดหนึ่งนะการเปรียบเทียบว่าเขาทําได้เราก็ต้องทําได้สิเขาแก่นะเขายังปฏิบัตนะิทั้งวันเขายังทําความเพียรข้ามคืนได้ไอเรานี่หนุ่มไอเรานี่สาวไอเรานี่เป็นพระทไมจะทำไม่ได้ แล้วก็มีมือมีเท้าเหมือนกันไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการปรับลบตนนะแต่ปรัลบแล้วเนี่ยหรือว่าเอาตัวกูขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะได้เกิดกำลังใจหรือเกิดเรี่ยวแรงในการทำความเพียร น, นะบางคนอนะ่ะเวลาทาวัดเนี่ยสวดมนต์ฟังธรรมก็จะหลับท่าเดียวนะพอเห็นโยมเขาเขาตาสว่างก็ตื่นเขาฟังธรรมเขาอ่า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 อาจจะไปทําชั่วก็ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นก็ได้หรือไม่ก็ไปแบกความทุกข์มาซ้ําเติมตัวเองนั้นพยายามนะพยายามเข้าใจนะเข้าใจเรื่องตัวกูวงกูเรื่องอานัตตาให้ดีแล้วขณะเดียวกันก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปหลงประมาทว่าโอ้ฉันเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วนะเรื่องอานัตตาดีแล้วเนะพราะบางทีเนี่ย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 ยึดติดถือมาในสันติวิธีเนี่ยแต่ก็สามารถจ ะ, ะใช้ความรุนแรงแม้กระทั่งกับลูกได้นะเพราะเขาไม่เชื่อสันติวิธียึดติดในเรื่องอนาตาัตตายึดติดในธรรมะยึดติดในความดีนะก็อาจจะนาไปสู่ความไม่ดีได้การกระทาที่ไม่ดีได้นะเมื่อเจอคนที่เขาขัดแยง้งเขาต่อต้านเขาเขาถกเถียงเขาโตเถียงเรื่อง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 แต่ตรใดที่มันยังอยู่ในใจิตในใจเราเนะียยังเพิกถอนไม่ได้ก็ต้องเราต้องฉลาด ก, กว่ามันนะก็คือเอามันมาใช้ประโยชน์ให้ได้เอากิเลสมาใช้เอาเอามานะเอาตัวตันหาทิฏฐิมาใช้นะในการพัฒนาตนจนกระทั่งสามารถที่จะละตันหามานาทิฏฐิได้อย่างที่เขาเรียกว่าอย่างที่มีภาษีว่าใช้ตันหาลัตันหานนะอันนี้มันทําได้ถ้ามีสติพอเอาใชาเนี่พูดกันท่อนี้เอากลับครับ